พอดีเห็นความคิดมาเพราะมีสติและสมาธิก็ไม่ใช่นังทื่อยอย่างนั้นปัญญามันรู้อยู่เสมอคอยมามาก็ตกพักระยะนี้แหละหนักจะเป็นเบาขึ้นมาให้คิดว่าเราทันทุกครั้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันคิดเวลาไหนรู้มันเคลื่อนเวลาไหนรู้ ขิดมือขึ้นเดินหน้าถอยหลังทำชาชารู้เมื่อมันสมบูรณ์แล้วดำจะหาวขึ้นมาให้เห็นหนักจะเบาขึ้นให้เรารู้ตกกกกจะสะอาดขึ้นมาให้เรารู้พูดง่ายๆเลยว่าจะทำจิตใจที่เป็นปุถุสนนั่นแหละให้เลิกละไม่จางไป เพราะความเป็นอายะบุคคลเกิดขึ้นมาแทนแล้วอันนี้เสื้อบัวพ่นน้ำคอยรับแสงพระอาทิตย์เมื่อแสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดอกไม่มันบานได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าหากฟังแล้วจดจั น, นำไปปฏิบัติแล้วความทุกข์จะลดน้อยไปเที่ยงมาพูดให้ตอนเท้าตอนเย็นพอลู้สึกว่ามากเกินไปพ่อหมอบอกว่าอย่าพูดมากหลวงพ่อโลก มะเลงหลวงพอจะกกับเลิกตายเล้วกาพูดแล้วอ่ะมันเป็นธรรมดาเรื่องคนตายเห็นหน้าตาดำดำเดียวกันกับหน้าสงสารหน้าอนาจัยจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการปฏิบัติโทษด้วยผลขาวนี้พูดเป็นผลเหตุมันคือให้เจริญสติเจริญไปอย่างนั้นแหละรู้อาการเกิดดับเช่นเดียวกันผ้าโสดาบัญมุขคนจึงเป็นผลของผ้าโสดาบัน นี่กลำลังดูจิตนี่เป็นมกักทำลายความหลงผิดได้เป็นผลบัดนี้ดูจิตเข้าไปทำลายความยึดมั่นถือมั่น่ดูจิตใจไปทำลายเป็นมกักพอดี๋ยวทำลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นผลพอดีดูความคิดไปติงปลาขดขึ้นมาเป็นผลเป็นมักเพราะการดูจิตใจดูการเคลื่อนไหวเป็นลแล้วก็ดูจิตใจเนีย่ยกลงไปอีก รู้จากความสงบมีสองอย่างแง่ทางกันที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นมั้งผลขึ้นมาคือเรารู้สิ่ง น, นี้ไม่คล่องแวะเรียกว่าหลุดพ้นแล้วต่อไปก็ไปเห็นจิต ท, ที่มันหลุดพ้นจริงมันหลุดพ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่หลุดพ้นอย่างที่อันนั้นอันนี้มันหลุดพ้นจริงจริงเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วมันจะเหมือนกับฟิวไปฟ้ฟามณฑลจุกจุ่งทีเดียวอาัตามาเคยเทียบให้ฟัง ว่าเหมือนกับเสื้อในล่อนในคูน่ข้างนั้นครั้างนี้ตัดตรงกลางอาจะมาเคยพูดให้ฟังเมี่ยเป็นผลของพระโสดาบันบุคคลจำไว้ใครยังไม่รู้ไปปลื้มในตำราพระโสดาบันบุคคลยังมีพ่อบครัวผัวเมียตามปรกเพณีโลกเขาพูดอย่างในตำราแต่ว่าระยะไหนเป็นพระโสดาบันไม่รู้เพราะไม่รู้ในไปเรียนตำรา ดังนั้นคํารู้อันนี้จึงไม่ขึ้นอยู่กับสัมมาความรู้อันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับถานบุคคลความรู้อันนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเลยเกี่ยวข้องเฉพาะการจเจริญสติเท่านั้นเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นไปเท่านั้นหลุดพ้นแล้วตายไหมเป็นธรรมดาเมื่อคนตายจิตหุดค้นคือรู้จักภาวะของจิตใจที่จะตายนั่นแหละพูดให้ฟังตรงๆคือว่าคนเกิดมาร้อยปีพันปี แต่ไม่รู้จากอาการเกิดดับที่บุคคล น, นั้นเกิดมาท่านพูดไปอย่างนี้แต่ไม่ต้องพูดภาษาบาลีบัด น, นี้บุคคลเกิดมาเพียงวันเดียวรู้สภาพภาวะจิตใจหลุดพ้นคืออาการเกิดดับนั่นแหละมีประโยชน์กว่าบุคคลที่เกิดมาร้อยปีบัด น, นี้ตรงกันข้ามถ้าสงฆ์องค์เล็งขอเช่นเดียวกันบวชมาร้อยพรรษาหากไม่รู้ภาวะอาการเกิดดับนั่น การบวชของบุคคลผู้นั้นเป็นมันเป็นโมคะและบุคคลผู้บวชมาเพียงมันเดียวรู้ภาวะจิตใจหลุดพ้นและอาการเกิดดับดีกว่าบุคคลผู้บวชมาหลายพานปางคือภาวะนี้คือภาวะจิตใจของความหลุดพ้นของภาคโสดาบัสจิตใจภาวะที่หลุดพ้นของภาคจากกีภาคาภาณานาค า, านั้นมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นที่พูดให้ฟังในทางมั่งและผล ที่พูดเสือนปนกันมาในวันนี้เพื่อมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราอยากให้พวกเรานี่แหละช่วยกันฟื้นฟูหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรต่อไปที่เคยพูดให้ฟังที่มันร้อนมันร้อนมันเคยได้ยินว่าเพราะเราจับไฟวันนี้มันตรงกันข้ามไม่ต้องจับไฟแต่เข้าไปอยู่ในกองไฟ เพราะว่าทําใจกลางกองไฟแต่มันร้อนเพราะว่าเอาเล็กเอาขางเอากัวเอาอะไรไปวาวจึสูบเข้าร้อนเขา้าไฟฟ้าเขาเผาเขาร้อนเปื่อยเป็นน้ําน้ํามันเย็นน้ํามันเย็นแังหว่าน้ําที่พูดเนี่ยมันเย็นเมื่อมันละลายซึ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เย็นแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็เย็นมันก็สบายถ้าหากพวกเรามาที่นี่คนจังหวัดสงขลาขนาดใหญ่ และคนทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ลำปางคนกรุงเทพภาคอีสานทำให้เย็นเย็นอย่างนี้หลายจังหวัดบ้านเมืองของเราก็จะค่อยเย็นลงเย็นลงกลมร้อ น, น, นก็จะค่อยตีวไปตไปถ้าหทุกจังหวัดทุกอำเภอและมีจำนวนมากคนจำนวนสามสิบ6ี่สิบห้าสิบกสิบล้านเนี่ยเย็นลงเพียงสักล้านคน เมืองไทยก็เหมือนกับดอกไม้แล้วสัตว์ทุกประเภทพูดอย่างง่ายๆขอโทษเถอะแมงวันมันชอบจอมอุจจาระมันก็จะไปตอมดอกไม้เช่นเดียวกันเช่นแมงคู่แมงเพึง่งมือสัตว์ต่างๆนี่นมันผสมกับจอมดอกไม้ที่ประเทศเขากําลังร้อนและอุกเป็นไฟเขาก็จะมาศึกษาในเมืองไทยนี่เองอาจะมาเป็นคนไทยพูดภาษากลางไม่เป็น ที่แรกในกรุงเทพเทวันผมพูดภาษาเมืองเลยในคนกรุงเทพฟังไม่รู้เรื่องนายมนโนเป็นําเป็นทหารเป็นคนโคราชเพื่อบัวใหญ่ถ้าใครสงสัยคำพูดหลวงพ่อมาถามผมท่านพูดภาษากลางไม่เป็นบันทึกไว้บันทึกมาถามคุณมันนานๆนายอาจารย์สมทรงนด้ไปสอนกับผู้ว่าเมืองนนไปสอนสี่ห้าวัน ก็พอพูดได้นานๆมาก็พูดอย่างนี้แหละเพราะว่าไปอยู่กรุงเทพนานเคยไปพูดกับเพื่อนๆแล้วคนไม่มีความรู้อย่างอาตมาเนี่ยทำไมสามารถไปพูดในโรงพยาบาลได้พอพูดผมจริงแล้วทำไมสามารถไปพูดในเรือนจำได้พูดผมจริงสามารถไปพูดในมหาวิทยาลัยได้เพราะเรื่องอะไร คนนักศึกษาปริยาจีโทรเอกไม่ทำไมไปพูดคนเขียนหนังสือไม่เป็นเพาไปพูดคนามจริงเพราะความจริงมันมีอยู่ในเราพระพุทธเจ้าคือใครอยู่ที่ไหนเราเห็นพระพุทธเจ้าเลยหรื อ, อยังเมื่อเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราก็ไปฝาวไปพระพุทธเจ้าคือจิตใจที่ไม่เคยสกปรกเกิไม่เคยสปกปรกจิตใจสะอาดสว่างสงบเราพูดได้จิตใจสะอาดสว่างสงบพูดได้อยู่ที่ไหน ไม่เคยเห็นพ่อเป็นคนลืมตัวดังนั้นวันนี้จึงศึกษาตัวให้มากๆอย่าลืมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการศึกษาปฏิบัติธรรมะไม่ต้องพูดตรงคุยกันใครมีอะไรทำแล้วก็แล้วไปอย่าไปนสนใจบางทีมีคนมาพูดให้เราไม่พอจะโอ้นี่ตายแล้วเน่าเหม็นเปียกแสแล้วจิดใจมันเน่าเหม็นจีบแวยิ่งกาของอุจาระําไปนะ เพราะมันสามารถพูดชั่วทำชั่วเนี่ยผมคิดเนี่ยงั้นเป็นอย่างไรคนตายเราช่วยกันจับได้เอาไปจูดไปฝังได้กองอุจละเราช่วยกันจับไหมไม่อยากจับทุกคนไม่อยากจับอุจจาระนี่เปแล้วทําไมไปจับบรรทมัยอุจจาะไปเหยียบบรรทมัยชอบดูของหมิ่นโทษทมือแล้วไปจับของหมินล้างือแล้วเอามาดมทุกคนอยากเป็นอย่างนะะั้นแตมัก็เป็นจริง ดังนั้นจิตใจที่สกปรกมันเลวร้ายที่สุดมันเน่าเหม็นเปียกแสะอยู่ภายในดังนั้นเราจะทำยังไงจิงใให้มันหลุดพ้นไปได้มีทางเดียวเท่านั้นคือทางเทศเราเคยพูดกันในหลักสูตรนักธรรมตั้นโทวิสุทธิเจดเขาเคยพูดกันไว้เวลาวิสุทธิจิตตาวิสุทธิโอ้เจตค้อ ความบริสุทธิ์แห่งสิ่งความบริสุทธิ์แห่งจิตความบริสุทธิ์แห่งมันมันพูดกันไปอย่างนั้นอันนั้นนะไม่เข้าใจในตัวหนังสือแต่ดีแล้วหนังสือความบริสุทธิ์จริงๆคือใจิตใจทุกคนเหมือนกับดวงอาทิตย์นี่แหละมันทําความสว่างเต็มดวงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเนะม็ดเท่านั้นไปบงัง ตัวชีวิตของเราจริงๆคนเช่นเดียวกันมันไม่เคยรู้ว่าทุกข์สุขอะไรมันเป็นชี่งที่เฉยๆจิตใจของเราก็เหมือนกันสิ่งเดียวเท่านั้นคือเราหลงความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้เห ม, ม็นเหม็นกอกกองอุจาระอีกด้วยซ้าใสมึ่ไปนั้นคนที่กําลังโกรธเนี่ยจะอยากก้าไปใกล้ไปไม่อยากเก้าวไใกล้ไม่ได้ดูมัมนาน้สม เราเคยได้ยินไหมไอ้ตาเนี้ใจร้ายคือผีไอ้ตานี่ใจดีคือผ้าทำเราเคยรเราไม่เคยรู้แต่พูดได้เรื่องนี้อาตมาเคยพูดบ่อยเลยอคนนั้นอ่ะใจร้ายคนนั้นใจดีไม่ต้องพูดต้งคูดแต่ในขณะที่ไม่พูดไม่พูยไม่พูดพอดีไปเจออารมณ์เข้าแม้โกรธข่าวนึงอาตมาหนาอยู่ใกล้ใกลกัน คนคนนี้เป็นญาติอาตมาบ้างแต่ไม่เคยพูดคำเพื่อกับคนเดินกายกันไปเแกก็ไม่เคยถามอาจจะมาเป็นหลาไม่เคยถามถ้าไม่ถามท่านทําไม่เคถามช่วยแต่ยกว่าท่านจะไม่โกรธเด็กท่านไม่เคยโกรธลูกโกรธเมียไม่เคยโกรธใครนะอยู่อย่างนั้นท่านเดินไปวันหนึ่งมีลูกชายลูกชายไถนาท่านว่าไถนาทางภาคกลางภาคใต้อาจจะไม่รู้ภาคมิสานอาจพอรู้ได้ไถนา มีควอยถึกตัวหนึ่งท่านมีค้อยถึกโตข้อยถึกต้ น, นมตแนมงใหญ่หนำเต็มหอทีเดียวแต่ลูกชายคนนั้นซึกออกไปในใหม่ยไผนาลองขึ้นไปช่างกระเฉยหยุดเทียงหนาเนี่ยเฉยไปลองมึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดให้ควายควรมันไม่รู้แต่ควยมันก็ไปอย่างนั้นแหละแต่มันก็เป็นคนไผนาไม่เป็นไม่ไม่ฉลาดเหมือยค่อ ย, ยมันเดินไปเรื่อยๆเลยเ ร้องเออะไวยคนดุแถวนนั่นก่อนวท่านก็เลยใกลใจเดยเอาแหละเธอไม่ต้องไถ่ละพราะจะไถ่เองท่านพูดอยเลยแต่ท่านไม่โกรธเลยลูกชายไม่เหยาหวางังโอขึ้นเดียวมึงหนีจากนากูวางบางไปกูนะฮะมันยังมีตัวกูได้อันนี้แสดงว่าความโกรธนั่นอ่ะมันหายไม่ได้แต่ท่านมีมีขันตีมากอดทนได้มาก แต่ท่านก็เลยพูดกับลูกชายลูกชายกนหน็หนึ่งหนึ่งอย่างนั้นหนักไปใครกันอันนี้แสดงว่าความโกรธมันไม่ยกเว่งไข่จะเป็นเจ้าฟ้ามก็ตามมันตกหน้าได้อย่างสบายสบายบวชมานานๆเป็นเจ้าคุณมันก็ไม่เคยกลัวใครมันตกหน้าได้อย่างสบายเรียนหนังสือจบ ป, ปริญญาเอกมันก็ไม่เคยกลัวต้องกระตกหน้าได้อย่างสบายสบายมันกลัวใคร มันกลัวลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันกลัวใครแสดงตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ายัางโตดแสดงว่าผล น, นั้นยังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างแทง้จริงถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของพระพุเจ้าแล้วแสดงว่าโคมโกรธนั้นมาจากขานเข้ามาคอยกราบคอยไหว้เข้ามามันอย่ามาขอเป็นลูกศิษย์ดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติจริง